พระเจ้ามิลินบอกว่าขอท่านจงกระทาอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถิดพระนาคเษนบอกขอถวายพระพรมหาบาพิตรเปรียบเหมือนว่านักแสดงกายกรรมต้องการแสดงศิลปะก็ย่อมให้เข้าถางพื้นที่ขจัดก้อนกรวดกระเบื้องออกไปปรับพื้นให้เรียบแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นที่นุ่มได้ชันใดขอถวายพระพร พโยคาวจรอาศัยศีลตั้งในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีห้าคือสัตสตินรียวิริยินรีสติินรีสมาทินรียปัญยินรีย์ได้ฉะนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคทรงภาษิตความข้อนี้ไว้ว่าศีเลปฏิทหายาณโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังอาตาปีนิปโกพิคุโสอิมังวิเชะตเตเยชะตัก็ยกคถาที่เรากําลังเรียนอยู่นี่แหละวานรผู้มีปัญญา ตั้งในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาเป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุผู้นั้นจะเพึงทางชัดคือตัณหานี้ได้ดังนี้นะอันหนึ่งศีลนี้เป็นรากเง่าแห่งความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายดุจ ธ, ธรณีนี้เป็นที่ตั้งแห่งสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นนะศีลเนี่ย ส, สำคัญ ธ, ธรณีเลยนะดุจแผ่นดิน ฉะนั้นในพร ะ, พระาศาสนาของพระชินวรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีศีลนี้เป็นประธานนะคำพีมหานิเทศเนี่ยนะท่านขยายเรื่องศีลเมื่อไรท่านก็จะพูดถึงประธานศีลเนี่ยเป็นประธานได้แก่กองศีลอันมีในพระปาติโมกอันประเสริฐนะคว่าปาติโมกเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเราจะได้เรียนให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้ามิลินบอกว่าพระคุณเจ้าหน้ากเกษท่านตอบสมควรแล้วคำว่าศีละสังวรเนี่ยนะสํารวมในศีลได้แก่จตุปาริสุทิศีนสีนั่นเองทีนี้ในอัธกถามิลินทปัญหาตอนท้ายท่านอธิบายาเปรียบเทียบให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเปรียบเหมือนว่าบุรุษยืนอยู่บนพื้นดินเงื้อมีดที่รับดีแล้วบนหินลับคือเนี่ยนะ มีดที่รับดีแล้วบนหินรับมีดเนี่ยนะถางกอภายใหญ่ได้ชันใดพระโยคาวจรตั้งในศีลแล้วก็ใช้มือคือปาริหาริกปัญญาที่กําลังของความเพียรประคับประคองอยู่เงื้อมีดคือวิปัสนาปัญญาที่รับดีแล้วบนหินคือสมาธิถางคือตัดทําลายรกชัดคือตัณหาได้ฉั น, นั้นขยายเหมือนกันเลย เปรียบเหมือนว่าธรณีนี้เป็นที่ตั้งแห่งสัตว์ทั้งหลายฉันใดศีลนี้ก็เป็นรากเงาคือเป็นที่ตั้งเพื่อความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายฉั้นนั้นในพระศาสนาของพระชินวรวรพระพุทธเจ้าก็มีกองศีลอันมีในพระปาติโมก ค, คือมีในคําสอนที่เป็นเหตุอย่างสัตว์ผู้มีปกติตกไปในอบายสัตว์นี่นะปกติของสัตว์คืออย่างไรเขาบอกมีปกติตกไปในอบายเขาบอกงั้นและ ตกไปในวัตทุกขให้พ้นจากภัยในอบายและภายในวัตทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ามีศีลก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้พ้นจากอบายและพ้นจากวัตทุกขอันเป็นศีลที่ประเสริฐนี่แหละเป็นประธานคือเป็นหัวหน้าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งหลายต่อไปฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปฏิบัติศาสนานั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยศีลเนี่ยนะลำดับเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัตินะ ทีนี้อะไรเป็นความที่พระศาสนางามในท่ามกลางงามในท่ามกลางได้แก่สมาธินะอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิจริงอยู่สมาธิชื่อว่ามีในท่ามกลางแห่งพระศาสนาเพราะพระพุทธวจะนะว่ากุสลสูปรสาสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำสมถะให้ถึงพร้อมนั่นแหละเป็นต้น ก็สมาธินั้นชื่อว่างามเพราะนํามาซึ่งคุณมีอิทธิวิทะการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เป็นต้นนะถ้าใครที่ทําสมาธิได้ก็สา ม, มารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกันประสงค์ที่จะหเหาะเฮินเดินอากาศเป็นต้นก็ทําได้หมดแต่ก็ต้องทําให้ได้ในระดับที่ที่ฝึกได้นะจะต้องมีคุณเรียกว่าจิตตั้งมั่นอ่อนควรแก่การงานก่อนน้อมไปเพื่อทําอิทธิวิทะเป็นต้นนะนะ แต่ถ้าไม่อ่อนจริงๆนะจิตถ้านวดไม่พอเนี่ยยังไงก็ทำฤทธิ์ไม่ได้ต้องฝึกให้เพียงพอจริงๆทีนี้ต่อไปว่าความที่พระศาสนางามในที่สุดเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาจริงอยู่ปัญญาชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งพระศาสนาพระศาสนานี้มีปัญญาเป็นที่สุดนะเพราะมีพระพุทธวจนะว่า การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหไหมเหตุผลที่วางปัญญาไว้ในชั้นสุดท้ายเพราะว่าปัญญานั้นเป็นเหตุที่ทำให้จิตผ่องแผ้วนะทาไม่อาศัยปัญญาแล้วจิตจะผ่องแผ้วไม่ได้ชาระจิตไม่ได้อันนี้แสดงตามโอวาทพระปาติโมกนะโอวาทปาติโมกหลักๆมีสามข้อใช่ไหมหนึ่ง การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. การทำจิตของตนให้ผ่องแผ่หรือเข่ารอบนะนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวนะที่พูดในลักษณะนี้นี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยรวม ก, ก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองประกาศไปที่อริยมรรคนะก็บอกว่ายกมกษัตขึ้นเป็นประธาน ในยะที่หนึ่งนะในยะที่สองก็คือเพราะมีปัญญาเป็นคุณสูงสุดอ่าก็ปัญญานั้นชื่อว่ามีความงามเพราะนํามาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมอันคนที่มีปัญญาถึงที่สุดเนี่ยนะใจของเขาจักเป็นใจที่มั่นคงถามว่าใจที่มั่นคงเนี่ยมั่นคงในอะไร มั่นคงในอิทธาร่มและอนิธารมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภูเขาศิลาภูเขาหินเนี่ยนะที่เป็นก้อนทึบอันเดียวกันย่อมไม่สั่นคลอนไปเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะนินทาและสารเสริญฉันนั้นยกไปที่อิทธาร่มและอนิธารมเนี่ยนะ แสดงว่าที่ตั้งแห่งสารเสริญก็คืออิทถารม์ใช่ไหมคาสารเสริญก็เป็นประเภทอิทถารม์ถ้าคําว่าร้ายก็เป็นประเภทอนิถารมคําสารเสริญเนี่ยน่าปรารถนานิถาเนี่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นคำสารเสริญเนี่ยเป็นคําที่น่าปรารถนาังนั้นคํานินทานี่ก็เป็นอนิถารมเป็นคําที่ไม่น่าปรารถนาแต่สิ่งเหล่านี้คือคืออะไรรู้ไหมโลกกระทำนะ ทั้งอิทธารมอณิทธารมณ์ทั้งนินทาสารเสริญสุขทุกทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นโล ก, กธรรมเป็นของมีประจําโลกสัตว์เหล่าใดาที่เกิดขึ้นมาในโลกจะต้องประสบพบเจอกับในโล ก, กธรรมทั้งแปดเหล่านี้นะโล ก, กธรรมแปดก็คือนะตรงนี้ท่านยกแค่นินทากับสารเสริญอ่านินทาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งถ้าพูดถึงนินทาปั๊บเนี่ยให้รู้ว่าถ้าจิตที่รับเสียงนินทาเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นจิตชนิดไหน ทศถ้าคําสารเสริญใ น, นจิตชนิดไหนรับเสียงสารเสริญวิถีส่วนใหญ่โลภะทั้งนั้นแหละร้อยทั้งร้อยเนี่ยนั้นจิตที่ไม่ได้รับการฝึกมาเนี่ยเหมือนลูกโปง่งนั่นแหละคำเชิญคาสารเสริญมาก็พองไม่เชื่อโอ้ดูไม่แก่นะอย่างงี้ส่วนใหญ่นี่ก็ยิ้มนะแอะว่าไปนั่นหน่อนะก็ชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าปฏิเสธอย่างเชิงซะหน่อยแล้วก็เสื่อมลาบนเนี่ยนะ เสื่อมลาบก็เป็นโลกธรรมเหมือนกันจิตที่รับเมื่อเสื่อมลาบส่วนใหญ่เป็นโทสะนะเมื่อได้ลาบเขาบอกว่าโอ้มีคนจะเอาเงินมาให้สักพันหนึ่งกับคุณจะต้องเสียเงินพันหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าจะได้ส่วนใหญ่ก็โลภะถ้าจะเสียเนี่ยส่วนใหญ่ก็โทสะเรียกว่าได้ลาบเสื่อมลาบนะข้าวของทุกชนิดก็ถือว่าได้ลาบนะลาบทั้งที่เป็นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตลาบที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครอง การได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ชื่อว่าลาบเหมือนกันแต่ไม่แน่บางคนก็ทุกขลาบเหมือนได้ลาบมาด้วยทุกเต็มที่เหมือนกันนะถ้าได้ลาบส่วนใหญ่วิถีจิตที่รับก็เป็นโลพาถ้าเสื่อมลาบวิถีจิตก็เป็นโทสักทุกกับสุขถ้าทุกเนี่ยนะทุกทุกเนี่ยเขาบอกว่าทุกเนี่ยเป็นเขาถามว่า ปฏิคานุสัยเนี่ยจะพึงเห็นได้ที่ไหนบอกเพึ่งเห็นได้ที่ทุกขเวทน า, าการมราคานุสัยเนี่ยพึงเห็นได้ที่ไหนพึ่งเห็นได้ไน ใ, ในสุ ข, ขเวทนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยคำว่าทุกเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมเมื่ออารมณ์ไม่น่าปรารถนาทําให้ผัสสะไม่น่าปรารถนาเมื่อผัสสะไม่น่าปรารถนาก็ทําให้เวทนานั้นไม่น่าปรารถนาเวทนานั้น เป็นอุปนิสัยที่มีความสําคัญมากต่อโทสะเนี่ยนะอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาเวทนาเป็นทุกข์เพราเวทนาที่เป็นทุกข์นั้นอ่ะเป็นปัจจัยที่มีกําลังอย่างยิ่งต่อชวนาที่เป็นโทสะเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนานะเวทนาส่วนใหญ่ก็เป็นสุขถ้าปราน่าปรารถนามากก็เป็นสุขถ้าปราน่าปรารถนาน้อยๆหน่อยก็เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะต่อด้วยโลภะ คนพวกนี้แสดงว่าไม่มั่นคงกับโลกธรรมใช่ไหมแต่คนที่จะมั่นคงในโลกธรรมได้ต้องมีปัญญาคือมีปัญญาวินิจฉัยโลกธรรมทั้งหมดเลยนะทั้งลาบเสื่อมลาบก็คือวินิจฉัยทุกอารมณ์นะอารมณ์สิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้าอยู่กับเราเรียกว่าได้ใช่ไหมถ้าจากไปเรียกว่าเสียเพราะฉะนั้นเขาวินิจฉัยหมดเลยว่าอารมณ์เนี่ย หนอารมณ์ให้วิถีจิตอะไรเกิดได้บ้างได้รับการวิเคราะห์มาทั้งหมดเลยนะโดยยาตะปริญญาก่อนรู้เลยว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตได้อย่างไรบ้างพวกนี้เป็นยาตะปริญญาแล้วอารมณ์นั้นเที่ยงไหมเป็นต้นนะการไข้ครัวในลักษณะนี้มากๆเป็นเตระณะปริญญาเพราะนั้นเข้าเจริญปริญญากับทุกๆอารมณ์ส่วนใหญ่นะที่อารมณ์ใดที่เราพิจารณาละเอียดละ อ, อ่เลยนะอารมณ์นั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ เสียใจและดีใจแต่ถ้าอารมณ์ไหนเราเพลินๆนะลืมเนี่ยนะอารมณ์นั้นแหละไออารมณ์ไหนที่ไม่ค่อยคาดคาดคั้นไม่คาดคิดเอาไว้นะอารมณ์นั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างร้ายแรงยกตัวอย่างนะบอกว่าเราต้องพลัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเนี่ยนะถ้าคิดลักษณะนี้วันละร้อครั้งพันครั้งเนี่ยนะถ้าเราจะจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเฉยๆนะอุเบขาเวทนา แต่ถ้าเหมือนก็โอ้โหเราจะต้องอยู่ที่นี่โู้ตลอดไปเลยคงไม่ได้ไปไหนแน่นะมีฟ้าผ่ามาแล้วบอกคุณต้องไปขณะนี้เท่านั้นแหละนะแทบตัวสั่นเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะต้องไปอย่างนี้เพรา ะ, ะถ้าได้รับการใคร้ควรวนบ่อยๆอันนี้ก็ช่วยได้ น, น ะ, ะการพิจารณานั่นแหละเป็นกิจของปัญญาถ้าปัญญาที่พิจารณาได้รอบครอบถึงที่สุดก็คือปัญญาระดับระดับไหนอรหันตนะ์เนี เป็นอเสะขาทำมาเสียขาทำมาเนี่ยที่เรณาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมั่นคงในอิทธารลมและอนิถารลมจริงๆนั้นคือพระอรหันต์จำพวกเดียวนะนะพระอนาคามีเนี่ยก็จะไม่มีโทสะก็มั่นคงในอนิถารลมแล้แต่ยังไม่มั่นคงกับอิทธารลมนะยังยินดีในอิทธารลมอยู่เพราะพระอนาคามียังยินดีในฌานและอะยังยินดีในรูปฌานอารูปฌานยังยินดีในภพอยู่ เพราะฉะนั้นผ้านาคามียังไม่มั่นคงในอิฐถารมผ้าสกาธาคามีก็ไม่มั่นคงนะักพระโสดาบันก็ไม่มั่นคงนะักของเราเนี่ยปกติหวนไหวนะปกติสันคลอนลนะ่ไม่ใช่ศิลาหินแน่นอนเป็นประเภทยอดไผ่ยันยยยงนึกถามก็บอกว่าเพื่อนเขาก็คุยกันเรื่องบ้าๆเนี่ยนะบอกว่ า, าท่านรักษาโรค บ, บ้าให้ผมได้ไหม เขาบกเขาพูดถึงคนบ้านนะเขคุยเออคุยไปคุยมาเขาบอกผมบ้านเนี่ยผมจะรักษาโรคให้ผมได้หรือเปล่ากหมือนัอ้นอ้าวท่านบ้าไงก็บอกอา้าวผมเห็นของไม่งามว่างามนี่ก็บ้าอย่างหนึ่ ง, งเหมือนกันอ้าวผมดูอะไรก็เหมือนเที่ยงไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็บ้าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทุกสังขารไม่มีเที่ยงสักอย่างเนี่ยผมว่าเออมันก็ดูเรื่อยๆนะเออเห็นอนัตตาเป็นอัตตาเนี่ยท่าะะ น, นผมบ้าทั้งสอย่างนั้นี่มียาอะไรรักษาได้บ้างยอมช่วยรักษาได้บ่า บอกว่านี่แหละอริยมรรคนี่ยเป็นยารักษาความเพียรอันนั้น่ะมันจะได้มั่นคงในอิทธารมและอันนี้ารมได้นะก็ต้องอาศัยกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยวิปลาสก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆอารมณ์มนะฉะนั้นปฏิบัติศาสนาสูงสุดก็ได้แก่ปัญญาน ทัสโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคามุตตะมังอะนะจิตของผู้ใดอันโล ก, กธรรมถูกต้องแล้วเป็นจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นใจที่ไม่เศร้าโศกเป็นใจที่กเกษมเอตัมมังคามุตตะมังนั่นเป็นมงคลที่สูงสุด อ, อรหัตตะลจิตนั่นแหละแน่นอนมั่นคงที่สุดคือเจริญพร อ, อธิศีนอธิจิตอธิปัญญานี้เป็นปฏิบัติศาสนา ศาสนามีสามใชปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเพราะคําว่าปฏิบัติตรงนี้ก็คือกับปฏิเวทบวกเข้าผสมด้วยกันนะปฏิบัติกับปฏิเวทเนี่ยบวกเข้าด้วยกันเลยเพราะว่ากุศลศีลเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวยัยญาอื่นๆจะขยายว่าศีลเนี่ยศีลกับเรื่องกิตกี่ดวงนะเราต้องบอกว่าศีลนี่องค์ทําได้แก่อะไรก่อน ถศีลในแก่จะตรวจปริสุทธิ์ศีลเนี่ยเกิดทั้งร่วมกับมหากุศลก็เรียกว่าศีลเหมือนกันนะอนนฌานนจิตก็เป็นศีลเหมือนกันอริยมรรคก็เป็นศีลเหมือนกันเพตอนคําว่าศีลเนี่ยถ้าศีลที่เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนะกว้างกว้างมากเดี๋ยวในเนี่ยแหละปริสุทธิมรรคเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพูดไว้ในยะยืนอื่นอย่างมากมายอนนศีลในแกอะไรเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีล และอวีติกมะสีนเนี่ยโหองค์ธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนี่กว้างใหญ่ไพศาลไม่จำเพาะวีราตีนะวีราตีก็เฉพาะเรียกว่าเจตสิกสี น, นั่นเองวีราตีอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เห็นต่อไปนัยยะที่สามเลยนะนัยยะที่หนึ่งสิคขาสนัยยะที่ 2, สองศาสนามีความงามสนัยยะที่สมอุ ป, ปนิสัยแห่งคุณวิเศษนะ ตถาอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยอย่างไหนก็คือก็คือพูดถึงศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิมนั่นแหละ อ, อุปนิสัยคือเหตุเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแห่งความเป็นผู้ได้วิชาสามจึงเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยศีลจึงอยู่ภิกษุบรรลุวิชาสามได้เพราะอาศัยศีลและสมบัติ มิใช่บรรลุวิชาสามได้เพราะอาศัยธรรมะอย่างอื่นจากศีลสมบัตินั้นคนที่จะได้วิชาสามนี่นะละลึกชาติได้เห็นสรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทําอาสวะให้หมดคนนั้นจะต้องมีศีลดีนะศีลสัมปทานี่แปลว่าความถึงพร้อมด้วยศีลศีลเมื่อบริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยกําลังแห่งสติและสัมปชัญญะพันย่อมบริสุทธิ์จากมลทินคือสังกิเลส ถึงความบริบูรณ์ด้วยกําลังคือกรรมะสกตายานสติและสัมปชัญญะ น, นั้นเป็นอุปนิสัยสมบัติแห่งวิชาสามวิชาที่หนึ่งเรียกว่าอะไรนะปุเพนิวาสานุสติยานการละลึกชาติได้เอาอุปมาล ะ, ละลึกชาติได้นี้มีอุปมาอย่างไงอุปมาเหมือนกับคนหัวดีๆหน่อยนะเขา ว, าว่าจากบ้านที่ก่อนจะมานั่งตรงนี้นะมาจากไหนจากตรงนั้นก่อนที่จะมานั่งตรงนั้นนะมาจากไหนก็ย้อนได้เรื่อยๆ ลักษณเนี่ยระลึกได้ลักษณะนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่ของชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมของชาติอดีตอดีตอดีตเป็นต้นด้วยอันนี้แหละลักษณะของปุเพนิวาสานุสติยาคนที่รักษาศีลดีก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วคนที่รักษาศีลดีเป็นคนที่สํารวจกายกรรมวจีกรรมของตัวเองมาตลอดเลยะนะะความที่ท่านสํารวจกายกรรมวจีกรรมมาเนี่ยยกตัวอย่างเหมือนกับพระภิกษุ หลายท่านเนี่ยท่านสํารวจตั้งแต่มนทนอุปสมบทมาเลยคําว่ามนทนก็คือตั้งแต่อุปสมบทโดยรอบมาเนี่ยนะจนมาถึงขณะเนี่ยท่านมีอ ბ ัตรอะไรติดตัวบ้างตรวจสอบแล้วบริสุทธ์เป๊ะหมดเลยเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะแบบรักษาศีลแบบสุขเอาเผากินนะศึกษาแบบเรียนรู้มาอย่างดีแล้วเนี่ยตรวจสอบเช็คตั้งแต่มนทนอุปสมบทอุปสมบทมากี่สิบปีก็ว่าไป แล้วลึกได้เลยไม่มีกายกรรมวจีกรรมใดที่มีโทษเลยถึงมีโทษชําระมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้ใกล้จะมรณาภาพแล้วสับสะทุสัพตาปฏิวโรเกรมีงเงมาปลงอบดับอบับใดของขพเจ้าที่มีอยู่ครู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอปลงอบดับนั้นน่ะเมาล์มาล์ลักษณะนี้ไม่ใช่นะเขาตรวจสอบพฤติกรรมคําพูดมาตลอดเลยว่าคําไหนมีโทษอย่างไรคําไหนเนี่ยแก้ด้วยวิธีการอย่างไร เพราะอาบัติบางอย่างไม่ได้แก้ด้วยการปลงอย่างเดียวนะเช่นสังฆาทิเศษไม่ได้แก้ด้วยการปลงแต่สังฆาทิเศษเนี่ยเป็นอาบัติที่แก้ด้วยการอยู่ปริวาสอย่างเดียวนะด้วยการอยู่ปริวาสปกปิดไว้สิ้นวันเพียงเท่าใดถึงจะไม่ปรารถนาก็จําอยู่ปริวาสสิ้นราตรีเท่านั้นสมมติว่าเป็นสังฆาทิเศษแล้วก็มกมิตปิดไว้สักสามปีเลยนะอยู่ปริวาสไปสามปี ประพฤติมานัดอีกหกราตรีสามปีกับ6คืนอ่ะเพิ่มอีกนิดหนึ่งสักเจดคืนก็ไนดะ้จะได้แล้วก็โมภิกษุครบณสีมาใดก็พึงอภานณสีมานั้นถ้าหากว่าโมภิกษุไม่ครบยี่สิบหากอภานภิกษุนั้นสายภิกษุนั้นก็เป็นอันมิได้อภานภิกษุที่เป็นการกส่์พระพุทธเจ้าก็จะพึงติเตียนนี้เป็นสามีจิกรรมคือประพฤติชอบในเรื่องนั้นนั่นในปาติโมะนั่นว่างนะั้นแล้เพราะนั้น สังกาทิเศตนี่มันแก้ด้วยอยู่ปริวาสอย่างเดียวอันที่จริงเพียงแต่หมักหมมไว้ปีเดียวก็ทับจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับอ๋อบางองค์ในหกสิบปีอ่ะอ น, นะหกิปีถ้าท่านเราไปแก้นี่นะฮะเราไปแก้สมมติว่าเราปกปิดมาปีงต้องไปอยู่ปีงใช่ไหมครัเจนพานนู่นอยู่ในระหว่างปีนั้นก็ทำผิดอีกทําปิดอีกก็ถ้าผิดอีกถ้าปกปิดนะนับหนึ่งใหม่ถ้าสมมุติว่าจะวางอยู่ปริวาสเนี่ยโออยู่มาสักสิบเดือนน่ะนะ ปริวาณีสปีหนึ่งอยู่ไปอีกเอาแกล้งไปเป็นอีกไม่บอกใครอ่ะเก็บเงียบสองคืนผ่านไปอ้าบอกซะหน่อยผมเนี่ยเป็นอีกแล้วผมปิดไว้ไม่เป็นไรนับหนึ่งใหม่ก็แล้วกันมีการเข้าสวดใหม่นะเขาเรียกว่าขอมูลายะปฏิ ก, กาศนะาก็รมการเรียกว่าทาเงินชักขวาบัตรเดิม น, ะนับแนงค์ใหม่โอ้ปกติ พระที่ท่านศึกษาละเอียดละเอียดท่านก็ทำอยู่เหมือนกันเห็นเื่อแตกกันพลักพลักเหมนกันกมันยังไงอ่ ะ, อออะก็ก็บอกว่าเหมือนกั บ, กบกว่าพระองค์อุ ป, ปมาสังคาทิเศษเหมือนกับอะไรนะนุ่งผ้าดำแล้วเอาสากแวนคอเขาเมาเงน